พุทธวัสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการสังสรรค์สนทนาดิฉัน FM 106 ค่ะเวลาก็ด่วงเลยกัน แล้วก็ได้กําหนดให้เป็นช่วงเวลาที่ค่ะเยี่ยมพาน ถามเรื่องนี้ค่ะอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากที่มีคนถามว่าทําไมถามเรื่อง คุณเนี่ยเดี๋ยวจะตอบคําว่าไงเหนื่อยต้องพักถูกมั้ยนั่นแหละคือนิพพานนั่นแหละคือนิพพานนิพพานความมุ่นวายอะไรต่างๆที่เราเจอมาตั้งแต่มาจันทร์ นั่นล่ะคนถึงควรจะไปนิพพานอ่าถูกมั้ยเข้าใจ ว่าวันนี้ว่าทําไมคนอืมท่านเนี่ยว่าค่ะอ่าเสาร์อาทิตย์นั่นแหละคือนิพพานของคุณในจักรวาล นะประณิพานเนี่ยมันมีหลายระดับไล่ไปไล่ไปๆนะเสาร์อาทิตย์คุณไปเอ่อปีเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเงียบลง<ใช> เมื่อมีวินัยกับเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและเป็น 2 คือชั้น 2 เนี่ยก็เป็นนิพพาน 4 คือ 4 ก็เป็นนิพพาน การที่คนอยากไปนิพพานถ้ากล่าวโดยสรุปก็คืออยากหนีความวุ่นวายไงถูกมั้ยคะแต่นิพพานมีหลายระดับเดี๋ยวจะมาหาว่าท่านไภบูรณ์พูดซะนิพพานที่คนเคยคิด แล้วก็มีหมดในสําหรับทุกระดับ 8 ทํา แล้วไปนิพพานอืมคงจะหมายถึงนิพพานที่เป็นอัลติเมทโกลนั่นค่ะก็ก็อย่างแต่แต่ๆก็คือการเนี่ยนั่น เขาเห็นความทุกข์และก็เห็นความทุกข์ในปัจจุบันเขาต้องการที่จะ สติคุณต้องมีสมาธินั้นที่คุณจะต้องๆๆๆได้ค่ะอ่าเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ คนที่ถามมากที่สุดพี่ว่า เขาหรือข้อที่ 2 เรื่อง 5 เป็นความทุกเป็นเป็นความทุกข์นะเราจะทําความเข้าใจในข้อนี้ได้อย่างไรเป 2 <Okay. S 1> อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะโดย 3 รอบ 3 รอบ รอบแรกเนี่ยก็คือรู้ว่าเอ้ยไอ้ 2 ก็ต้องรู้ว่าขอให้ตัณหานี้ต้องละนะทุกข์นี้ต้องทํา 3 เนี่ยว่าตัณหานี้ละ อันนี้คือจะเป็นก็จะบรรลุนิพพานได้ค่ะอืมก็เท่ากับว่าต้องมีความรู้อ่าคนถ้าคนไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระศาสดามากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ไอ้ตัณหาเนี่ยบางทีมันอยากนะมันอยากทุกวันเลยค่ะท่านคะเออใช่มั้ยใช่ค่ะคือคือเหมือนกับว่าถ้าๆไม่รู้ คุณรู้ได้ 30% <คะ S 1> แล้วนะ 33% 1/3% นะนั้นแล้วก็คุณก็ฉันก็มีความทุกข์นะแต่ฉันยังไม่รู้หรอกว่าทุกข์เนี่ยต้องทําความเข้าใจไม่เป็นไรคุณรู้ได้ทั้ง <คะ S 1> 33% แล้วนั้นแล้วนะ<คะ S> 1, แล 1 ใน 3 แล้วนั้นเราทําไปๆ <คะ S 1> เปิดออกเนี่ยทําค่ะดิฉันขออนุญาตเนี่ยได้ขมวดในส่วนที่บอกอ่าก็ คุณเห็นตามความเป็นเพื่อละใช่ค่ะใช่ 5 รูปเอ่อเวทนาความพอใจไม่พอใจเอ่อ เพราะเป็นตัวของความทุกข์ถูกมั้ยคะ แต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังอยากเออบอกเราหน่อยสิปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรอืมคุย ยังไงในระหว่างทางรอบ 2 รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าสรบันก็ยังเกิดได้อยู่นะก็ค่ะเออทีนี้ก็เท่าของการที่จะนิพพานในความหมายๆด้วยความตั้งใจเนี่ยก็ <laughs> ก็จะต้องเป็นคนๆแล้วเนี่ยมันน่ามันเป็นความน่าเบื่อถูกมั้ยคะอืมเนี่ยอาตมาเข้าใจไปถ้าเค้ากลัวเสียอะไรไปมันไม่มีนั่นโอ๊ยไม่ได้ เราคิดอย่างนี้ปุ๊บนะเราจะอยู่เป็นปราไม่ได้จะเข้านิพพานเราจะไม่เข้าใจคําสัมฤชาเพราะเรากลัวเพราะเราจะเสียอะไรไปแต่เราไม่ได้เห็นค่ะไม่เป็น<ใช> แล้วก็ปัดทิ้งเรากลัวเสียมันไปไม่กินมันใช่ค่ะค่ะอืมซึ่งๆเอ่อเราเข้าใจไปเรื่อยๆนะว่าไอ้ เอ่อเต็มีของเนานั่นแหละใช่ๆอย่างสิ้นเชิงวันวันพรุ่งนี้นะอาตมาจะมาทํา มันไม่สามารถที่ทุกข์เพราะมันทนอยู่ค่ะอืมสาธุค่ะท่านค่ะก็ถือว่าวันและดิฉันต้องขอ ในเรื่องทุกข์ที่ว่าเป็นสภาวะที่ทนอยู่ กายาจะไปอีกเล่นอ่าเป็นระยะเวลาพอสมควร 7 วัน 10 วันอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้และกําลัง 17 ตุลาคมค่ะติดตาม กด